วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นในการเรียกรรมฐานสาหรับการเรียกรรมฐานที่แรกก็อธิบายกรรมฐานกองต่างๆไปๆไปมาๆก็คิดว่าถ้าอธิบายรอบๆก็จะเกิดการลำบากในการปฏิบัติธรรมาดากป็นพ <c oughs> ุทธบริษัทคือการปฏิบัติจริงๆเขาตัดข้าหาสังโยชน์ว่าการมนมุลุมรรคผลอยู่ในสังโยชน์ ก็มีการปฏิบัติตามสังโยชน์ถึงความจริงไม่ยากถ้าปฏิบัติตามกองต่างๆดยรอบๆทีาไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าจะยากมากที่คำว่ายากเราไม่ทว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าจะเข้าไปรวมจุดไหนเป็นสังโยชน์ได้ฉะนั้นขอนาจุดสำคัญมาพูดโดยเฉพาะเพราะาว่าในตอนต้นบรรดาญาโยมทุกคนโผล่ทราบ เอาต้นกันจริงๆทุกคนต้องมีความพอใจในศีลขํานแรศีลนี้มีความสําคัญมากถ้าศีลมีสภาพไม่ทรงตัวสมาธิก็ไม่เกิดถ้าสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาคือวิปัสนาญาณ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นอันดับแรกของอัดาเจมาพุทธบริษัทให้สนใจในศีลให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้า สินห้ามีความสำคัญก่บประโสดาบันประโสวดาบันเบื้องต้นที่เรียกว่าสัตตะตรงมีสินห้าเป็นพื้นฐานต้องกินต้อไม่ยากแล้วประโสดาบันค่ายโกลังโกละด้วยเอกภพชีนล้วสิกิธาคา ม, มีมีกำหนดศิษเป็นพื้นฐานฉนั้นดงสองอย่างคือสินห้าก็ดีกำหนดศิษย์ก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องสนใจให้มาก ในพระ อ, อย่างยื่งกำหนดสิทธิ <c> ์ <oughs> กำหดสิทธิ์ถ้าทรงได้สมาธิก็เกิดถ้าปัญญาก็เกิดมากเพราะกำหนดสิทธิ์คุมทั้งกายคุมทั้งวาจาและคุมทั้งใจ <c oughs> ถ้าจะาถามว่ากำหดสิทธิ์โยมบ่ายาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันได้ไหมก็ขอตอบเองถามเองก็ตอบเอ ง, เอง <c oughs> ว่าทุกคนทรงกำหนดสิทธิ์ได้คนละหลายที่ขาบท โดยทุกคนมีอยู่แล้วหลายสิ่ขาบทก็มีบางสิ่ขาบทนั้นที่บกกร้องเราก็สังเกตดูว่าสิ่ขาบทไหนถ้าบกกร้องเราก็ตัดปรุงเฉพาะสิ่ขาบทนั้นไม่ช้าก็มีการทรงตัวก็ขอพุยกําหนดสิบให้ทราบกำเบ็ดสิบมีทางกายวาจาใจทางกายก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สไม่ลักทรัพย์ ก็เหมือนก็ถึงห้าทางวบาจามีส <c> ี <oughs> ่อไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาดไม่พูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจมีสาือไม่อยากได้ทรัพย์สมบติของคคอื่นโดยไม่ชอบทำไม่เพืยอบาทจองร้างจองแผนไข่ มีความเห็นตรงตามคาส อ, อา่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี่ถ้าจะไล่เบีอจงจริงๆหนึ่งข้าสัตว์หลายคนอาจจะมีอยู่แล้วสองการลักตรรมยของชุ้นบ้านก็หลายคนเว้นได้แล้วสามการประพฤติในกรรมก็มีหลายคนประพฤติได้โลกสี่ลูสาวาบก็จะเมนมากก็สามารถส่งได้ ถ้าต่อมาถ้าเราตระเวนสิบวาจาแยกเป็นสี่หนึ่งด้วยสาวาดเร า, าเล่นแล้วสองวาจาสเสียเสียคือยุโยงสงส์ก็แตกเล่ากันข้อนี้หลายคนก็ปฏิบัติได้แล้วไม่ใช่สามวาจาอยากใครไอ้วาจาอยากใครถ้าพูดลเล่นไม่ถือว่าเป็นการอยากใครนะพูดเล่นสนุกกันต้องพูดเอาจิงเอาจังเป็น ง, งานบป็นการประเภทนั้นใช้วาจาอยาก ทเลาะกรนมืองดาพะวยไม่เป็นไรไม่ถือว่าขาดคิจายอดเลยเราจะหยากหลายคนกัละได้แล้วเราจะเพ้อเจิดเหลือหลายหลายคนก็ละได้แล้วอนนี้ต่อมาจิตใจคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาขคนอื่นโดยไม่ชอบทำไม่็คืออยากจะลักเขาบา้างอยากจะขโมยเขาบา้างอยากจะยืแย่งเขาบ้างอยาจะขึ้นจะขัโกงเขาบ้าง อย่างนี้จะไม่มากที่นั่งมีที่ปฏิบัติได้แล้วได้ข้อต่อไปได้ดจิตใจการจองล้างจองผานคำว่าจองร้างจองผานนี่ไม่เหไหนความไม่โกรธความโกรธยังมีอยู่ได้โกรธแล้วก็สลายตัวไปไม่จองล้างจองผานจองเวนจองกรรมเมื่หายโกรธเขาก็เลิกฝันไม่คิดทำลายเขาอย่างนี้ก็คิดว่าหลายคนที่นั่งอยู่นี่จะปฏิบัติได้แล้ว และข้อที่สุดท้ายเขาได้จิตใจสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคขามีความเห็นชอบหมายความใช้ปัญญาพิจารณาแล้ว ว่าคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าอยูตรงตามความเป็นจริงควรเคารพเมตชีเราว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนมีหลักสามในการขึ้นหนึ่งสัพพะาปัจจัยการนำทรงแนะนําให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่างความชั่วเป็นปัจจัยเกิดความได้ร้อนสามกฎสารสูบประสานไทรงแนะนําให้ทําความดีทุกอย่าง อเที่เราเรียกก็เราทำบุญสามสกิจตาเรียววันนางการถัดเกจียกันจิตใจผ่องสายใจกิเลส โดยคามการละความเชื่อไปทุกความดีทาจิตใจสะอาดปองใสนี่เป็นหลกหนักการทำใจง่ายสำเด็จโดยสัมมาจตุจักเราเห็นชาบแล้วอย่างนี้ด้วยสัมมาทิฏฐเตรียม ค, ความมั่นมาตารฐานสิบปันดาญาโยมพระตุิษัทลูกหลานเป็นมากปฏิบัติได้แล้วกรณีสิขาบทหมาบ้างที่ยายามจะค่อง มับจะพ้อก็ไม่พ้องอย่างจริงๆอาจจะเผลอพ้องในบากาสถือว่ามีความจําเป็นอันนี้ก็พยายามยัดยังไม่ช่าไม่จะสามารถเชินตัวได้ถ้าทุกคนปฏิบัติในกำหนดสิทธิได้ทุกอย่างก็ไม่ต้องระมัดระวงังถึงยังไงก็ไปพลาดกําบสิทธินี้ก็เหมือนสินต้องมีเจตนาคือตั้งใจทําลายกำหนดสิทธิข้อนั้นข้อนี้ตั้งใจจริงๆ ถ้าเราไม่ตั้งใจเผลอก็ทำยันนี้สิกขาบทไี่ขาดถ้าบังเอิญตั้งใจทำและทําได้แตนน่มันยันสิกขาบททไม่ขายขาาเร็นความว่มรรคบทสิริรักษา ม, ม่อยากนะักถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติในกรรมบุสิทธได้ไม่บกติคือการเจตนาแท้ไม่มีในการกระทำและไม่มีใยการละเมิด ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโสดาบันข้างโกลังโกละหรือเอกบิชีนพระโสดาบันจริงๆนี่ไม่เหนือะไรมากพระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ตั้งตายเราก็คิดอยู่แล้วถ้าคนไม่ยอมรับและถือความตายก็ไม่มาปฏิบัติทำไม่มาทําบุญกันการที่มาทําบุญกันแล้วไปทำบุญที่ไหนก็ตามปฏิบัติธรรมะตองเชิดตองทำก็ตาม เพราะทุกคนอยอมรับว่าความตายมีกับเราจริงบางทีท่านบัลิกคิดแต่ระมัดรงอยู่ตอนนี้เมื่อความตายมีเวลาแล้วก็คิดว่าการทําบุญตายแล้วมีความสุขอย่างน้อยก็ไปสวรรค์อย่างกลางเลยมาโลกอย่างดีที่สุดไปนิพพานฉะนั้นทุกคนไม่เมตตาไม่ประมาทแต่ชีวิตคือชีวิตกาบุญกุศลนี่คือคนที่ความตายอันนี้เป็นปเป็นกิจวิยาเป็นปีเดนะ บางทีจิตใจก็จะนึกจะนกอยากจะทำบุญการทํำบุญม่ก็จะเห็นว่าเราทําแล้วได้ผลปัจจุบันไหมถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นส่วนมากคิดว่าทําบุญเพื่อตายตายยุตมีความสุขนั่เห็นว่ามรณาไม่ติดธรรมฐานมีตั้งแรกก็ญาติโยนทุกคนองค์พุท่โสดาบันญฑรคือไม่ขึ้นความตาย องค์โยโซดาบันเนกบิดเนศพิทาธรนมีข้อที่สองก็มีความยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดทั้งสามราการนี้บรรดาท่านผู้บริสุทที่นั่งอยู่นี้ทุกคนมีแล้วเรียกว่าข้อที่หนึ่งนึกถึงความตายก็มีแล้วข้อที่สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็มีแล้ว อดีาสามอย่างเดียวศีลประตะประาโมทคือการไม่รูปคำศีลไม่สาศีลไตรงโดยพระอย่างยี่ศีลห้าเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันขั้นสแตะขั้นตรงอาจจะมีคนบกพรองบ้างแต่ไม่มากย้อนยับยันไม่ท้าไม่สามารถต่อทาได้การคุณธรรมของพระโสดาบันข้นโกลันโกลก ล, ก, ล, ก, ลกับเอกวิชีก็คือ มาสักกาหนดสิบรายการมี่คิดว่าหลายคนที่นั่งที่นี่สามารถปฏิบัติกำหนดสิบรการได้บางคนจะคิดว่าทางบ้านวาจาระังนัตยากแต่ความจริงต้องถือพระจีนมาที่ย้ําคองวาจาแค่อะไรพุทธแม่หลายๆคนนั้นไม่เน่าห่วงวาจาอย่างเดียวใชะไหม ใครก็ไมชาติก็ห่วงะใครก็ห่วงพะที่ฉันพูดเนี่ยตางคนต่างก็ห่วงกันหลายคนว่าเอ๊ตากเรามันค่อยๆสิขาหมดก็ไม่ิยมษาได้ด้วยว่าใช่ไหมความจริงไม่ยากต้องถือว่าทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่เจตนาตั้งใจถ้าเรื่องที่ไม่ตรงกับความจริงจะรักษาประโยชน์อย่างนี้ถ้าไม่ได้โฆษณาว่า การเล่าสาประโยชน์ก็หมยความว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเขามีทุกข์ในประ์ถ้าพูดเลี่ยงากความเป็นจริงท่าบนบุคคลนั้นมีความสุขก็เป็นการระงับทุกข์บำรุงสุขของเขาให้เขามีามความสดชื่นก็เป็เรื่องที่ตรงเป็นข้ามไม่เลี่ยงเลี่ยงหรือไงตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าข อ, ออย่างพระพุทธเจ้าจะเอาภาษาที่หมดกระดกันกฟังง่ายๆนะ ภาษาที่เดกใจพูดกับกคำพิกาโจรคำาอดเทพก็คือพูดพูดก็คือเทศท่านพิการโจรนี่เป็นคนที่คบยากเขไม่ได้จนเขาแดงเล่าคนะไม่น่าบขาก็พิการโจรมีทุกส่วนเมื่ตั้งแต่เกิดมาจนทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครเขา อ, อยากคบต่อมามาถึงการบนรนุไปสมัครเป็นลูกน้องเขาโจรห้าร้อยนโจรใหญ่ ในโจรใหญ่มองแล้วก็ไม่อยากจะคบไม่ยอมรับแต่โจรมังไม่ยอมรับเลยแต่เก่งมากนะแล้วก็อาศัยความฉลาดปฏิบัติเอาอกเอใจปฏิบัติตามใจลูกน้องลูกโจรนั่นงั้งหมดตีน้องก็โจรมีความรักก็มันเป็นหอบคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยอมรับมปัญหาด้านการเงินบ้างในเมื่อเป็นโจรอยู่การล้นกันฆ่าตรงมีฆ่าคนระยะนั้นก็มีอยู่แต่มาทางบ้านเมืองเขาจับ โจนชุดนั้นได้แต่มิการโจนก็ถูกจับไปด้วยโจนทั้งหมดมาถึงห้ารอคนคาดว่าพิาาเศาคาดเพืพิเศษคาดฟันพิ่ศ่าดบอกไม่ไหวห้าร้อ500คนไม่มีกำลังใจจะฟันคอได้เขาก็ถามนายโจนว่านายโจนสามารถจะตัดคอลูกแองได้ไหมถ้ า, าตัดได้จะไม่เอาโทษจะให้เป็นพิเศษคาด นายเจมก็ไม่เอาโอ้ถามเรื่อยมาจนทั้งถึงคนมีห้าร้อยคือการดิสแตนจนการดิสแตนจนบอกได้ว่าแั่งันขอก็ได้เขาว่าไม่ตายเห็ไหมได้ถูกก็เลยให้ตังคคอพวกเดียวกันสี่รอยเก้าสิบเก้าเจ้าแต่คนหนึ่งก็ตั้งเป็นผู้แก้แคดต่อมาก็ฆ่าเรื่อยๆมาจัโจนหร้อยมันหลก็ฆ่าฆ่าไปตามมารีก็อยตามดิสแตนจนนี่ฆ่าคนประมาณ1นึ่คนเสร็จ ด้วการฆ่าคนหนึ่งคนเสร็จถึงแม้จะเป็นลูกจ้างเขาไม่ก็บาปโบราณเป็นหลักฐานของการตกต่อมาไม่แก่ลงไปไม่เรียงละกําลังน้อยแรงน้อยลงไม่สามารถจะปันคอคนเดียวขาดได้เขาก็เปิดเปจะให้เกษียณมีบำัดได้มีได้ว่ามีเรื่อบัตรประมาณกินก็ได้ทรัพย์ถินจะประชาชนในขั้นค่าบดี วันหนึ่งท่านก็นให้กับเจิลก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นทพื่อแก่คาดขุาข่าคนทุกวันเลือดกระเพื่อนแต่งตัวส้สวยไม่ได้เวลามีปรวจเจอเหตุการณ์แล้วไม่ต้องเครื่องเลือดจะขอแต่งตัวส้สวยๆไปรูกาสาวไปซีผ้าสาดกมาสองผืนผ้าอย่างดีผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่ ง, งหม คนพาดเน่งพาดเห็นว่าสวยดีแล้วก็อยากจะกินข้าวมาทุกปลายาดถือว่ือว่าฐานะก็ดีพอทุกคนก็บ่อูอสอกสาวก็อยากจะกินข้าวมาทุกปลายาลูกสาวาก็นําเื่ออุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมแล้วหุงข้าวมาทุกปลายาดให้พ่อข้าวมาทุกปลายาดเนี่ยเขากินไปเพาะพระราชาจะมหาเศรษฐี แต่คนนี้รมำรวอยังกินได้เมื่อคาแพงแต่ว่าตามที่กาจอมเวลานั้นก็ร่ำรวยข้อนุสเศษฐีเหมือนกันข้า น, น, น, น, น่ะที่ลูกสาวนำข้าวมาให้เมื่อตูวัสนะที่นั่งเอานำข้าวมาวางไว้ก็บอกให้พ่ารับทานท่านพ่อก็เริ่มนั่งจะรับทานอาหารโดยตัวชายพ่อไม่ต้องกบก็พอดีท่านหันหน้าไปทอมประตู เจอสาสาธิตบทยืนที่ประตูบ้านไม่ใช่ประตูรั้วนะประตูบ้านเลยนะละโกรธสงเคราะห์มากนช่ไหมท่านตอนนี้ก็ใจนิดนิดในใจว่าเราที่ได้เกิดมามีแต่บาปอย่างเดียวไม่เคยทําบุญวันนี้พระบาสงเคาะ์ถึงประตูบ้านไม่ใช่ประตูรั้วายังไม่ได้เข้ามาในบ้านเลยวุ่นตัวนะยไม่รู้มาอย่างไรแต่พระมาสงเคาะ์ก็ได้ดิมนไปสาธิตบท ว่าภาษาที่บุขึ้นมาท่านกะลุกลกที่นั่งนบนภาษาที่บุนางแทนแม้กระเข้าวมาทุกใบหญ้ทั้นชามลูกสาวท่านชามเดียวตันสารีบท่านไปสงห์ทำไมหวั ง, น ใ, าานงนในการกินไม่ใช่ละโมกอะไรหันน้นไม่มีล้งเลี้ยงการกินตันสารีบท่าทราบว่าตนิกาจลต้องการอะไร พว่าเคขาาเขามาท่เริ่มฉันข้ามาติปายาตท่นตอนนี้กัดจอยหรือ่สาิตฉันคนะําว่าความอยากเขาจะหมันก็มากทาลายไหลสอเเนะดียทําลายหลยืดลงคื่นมีหลได้ย่งนเนี่ยท่านเริมโยมไหลท่านสาธิตวท่านเวลาฉันได้ําเรียงดูมันเป็นลาดมากเห็นท่านกัดจอยนำลายไหลท่านหยุดฉันท่านถามมายม มีความระหายหรือมันบันกระโจมบอกว่ผมอยากกินนมากครับแต่ว่าอาศัยที่คุณเจ้ามาผมไม่เคยทําบุญก็เลยทําบุญหมดอาศายที่หมดก็ไม่ว่าใดท่ามหนึ่งประเดี๋ยวนิดหนึ่งนั้นตั้งถามมาโยมข้าวทุปใบญาทั้งหมดเป็นโยมข้าตมาแล้วใช่ไหมอาศัยตระกูกรโจมก็เลยให้แล้วขอรับถวายทั้งหมดที่ถามว่าข้าตมาจะให้ไครไโยมจะว่าไหม ท่านตันติการเจงก็บอกไปว่าท่านบอกก็ท่านขอพระจนะชามประเล่าลูกหนึ่งท่งนานตันติการเจงก็นาชามาเปล่ามาลูกหนึ่งพระสารีบุตรก็แบ่งครึ่งท่านเอาไว้ครึ่งเสือตติการเจงครึ่งตอนนี้พระกระฉันยงก็หม่ำโล่สงบไปนะงม่ต้องน้ำลายไหลนะก็กินได้กินแล้วพอกรหายมากก็มีความชื่นใจวความชื่นใจปลายกดกระชันเสร็จภาษาลิบบุตรประเทศ ตอนแรกสเทศกันเดียวก็เป็นสองตอนอีกครึ่งกันแรกวราสารที่ประเทศโทษทุปานาทิบาศการฆ่าคนการฆ่าสัตว์พันไล้สิ้นชีวิตไฟตกมนุย์ er ุนหมายตัว่าเลยสบายเลยตกมนษสัญจรมนุษยขยามมาอาจจะรนงอวัยวินนุษคนจากมนษุงใหญ่ก็มาตกนุษบริวารสื่อขจับนุกบริวารสื่อขุนตะเจงเวียนสิท อย่างนั hmm. ้นก็เป็นเศรษฐิสวกใบเสือกายที om, ่เศรษฐิใชนะว่าเฉยไปตามสบายคนฟังเนือแตกพลักเพาอะไรเทศจงไต่หมายที่ทํากระโจนทำทั้งหมดพราเทศไปขึ้นกันไปสฉยอยู่จนเทศไปก็จมเรืองไปถ้าเห็นเหนือแต่ที่ายุดทันม่โยมไม่สบายหรืออะไรก็ะโจนบอกสบายไม่ไหวเลยคอรัตที่ไปกินเจ้าเทศว่าทั้งหมดเสร็สมเรียบร้อย ได้ทุกอย่างนรกทุกขุมได้หมดเตกิจทุกประเภทได้หมดกายทุกเพศได้หมด ท, ท่ า, าทนอาจารย์พิเดลก็ถามว่าโยมการฆ่าคนฆ่าสัตว์ของโยมโยมตั้งใจฆ่าเองหรืใครใช้ฆ่าฟังตอนที่ดีนะลอยใจไม่ตรงกับความบป็นจริ่ไท่นนานอาจีรย์เจงก็บอกว่าพระอาชาใช่ฆ่าพระศาจิเดลก็ไม่พูดเลยมาก คนถามว่าสมมติว่าโยมไป็นลูกจ้างเขาะาเจ้านายก็มีนาอยู่ร้อยไร่ให้โยมทํงงาทรรนาเมื่อทํานาได้ก็หมดผลเล่นนาคือข้าวตอนหมดเมื่ได้แล้วเป็นของโยมแลอเป็นของเจา้านายตอนอาจารย์กัจจโยก็บอกว่าวก็เป็นของเจา้านายจิตรัสแต่จะถามว่าการที่ฆ่าคนโยมฆ่าเองแล้วใครฆ่าอา่ารย์กัตจโยก็บอกพระดาชายฆ่าถ้าฝันอยู่ ก, รก็ริ้นแค่นี้นะ เป็นน้ำตาลมิกาเจงคิดว่บาบาปตกอยู่กษัตราชาภาษาดิบุตรท่านเลบอกประโยชน์ไม่บาปใช่ไหมแต่ไปไม่เชื่อบาปตกกษัตราชาคิดว่าตัวเองไม่บาปภาษาดิบุตรเทศต่อเทศกับเรเรื่องเทศอภิสุงผ่านยันอราหันเทศจบตัมมิกาเจงก็เป็นประสดา บ, บันเห็นไหมนี่ถ้าจะหลาดก็เลยความว่าบาปทุกอย่างที่จะทำที่จะละเมิดหรือถึงจะขาดก็ต้องเจตนา ความหลภาษาลีบุตรนั้ตามพิการโจรให้เลี้ยงออกนอกทางด้วยมีความประสงค์ต้องการให้ตามพิกาโจรไม่คล่องใจในบาปถ้าจิตคลองใจในบาปการเทศนนั้นจะไม่มีผลเมื่อเลือกบุคคลใดก็ตามทําบาปมามากแสนมากแจะเวลารังรมและปฏิบัติธรรมเราเลี้ยบาป ท, ที่เวลานั้นตั้งใจคิดทำแต่บุญอย่างเหลือผลดไดมัมีผลสนแบบิดาบ พี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกคนยังละยงอย่า น, นึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วคําว่าความชั่วคือบาปดันงขอบันดาญาติของทุกค น, น, าากน ต, ตั้งวาจาโมสาไหวก็ตามตั้งตั้งใจโกสวเพื่อทําลายประโยชเขาถ้าพูดเรื่อนจากความจริงพรเพื่อรักษาปร ะ, ระโยชน์เป็นตมนสกัจจอย่างนี้ไม่ถือว่าโมสาไหวถือได้ไม่ตาบันดาลเาป็นการสงเคราะห์อย่างาาวาจาสอนเสร็จกันไหมกัน ตั้งใจยุเยงส่งเสริมเขาแตกเล้ากันอย่างนี้ขาดจากวาจาสาะเสียดแน่เพราะว่าพูดไปเขาีูเท่ามาถึงการท่าเอ็นเป็นกระทบกระทั่าทางเข้าอย่างนี้ไม่ขาดคิดว่าเราพูดตามความเป็นจริงก็ไปสะเทือนใจเสาะเท่าอย่างนี้เกิดมาเพื่อทำลายไม่มาแล้วก็วาจาหยาบวาจาอยาบนี่ก็ต้องถือว่าถ้าพูดล้อเล่นหยาบขนาดไหก็ได้ในการล้อเล่นกัน เราพูดเอางานจริงเราการดางงานอย่างนี้ต้องไม่หยาบเป็นเพราะเป็นการสะเทือนใจเขาไม่ว่าจะเพื่อเชืเ่อเหลวไหลและประโยชน์คือพูดลรืองคิดอย่างนี้ก็ต้องมีจเจตนาตั้งใจไม่กันถ้าไม่ตั้งใจทาอย่างนั้นสิ่งพอ น, นี้ก็ไม่ถ่ายเรื่งความวาข้ อ, อยาจาไม่ใช่ยาขาดง่ายนัน ก, ก็ญาตท่นนี้มาการปฏิบัติของบรรดาเต็มพระตัวใหญสัตว์ในเมื่อความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตน คือโพโซดาบันก็ดีพวสกิทาคารีก็ดีปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ยากใช่ไตุปฏิบัติจริงๆมันไม่ยากอ้ทีไม่ยากเพราะปฏิบัติไม่ค่อยจริงใช่ไหมเห็นไหมล่ะคําว่าปฏิบัติจ ร, จริงๆครับมันต้องค่อยๆละไม่ใช่ทําบันเดียวได้สิ่งใดที่เราได้อยู่แล้วให้ไม่ทรงตัวนั่นคือข้อต้นการนึ่ถึงความตาย มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเรามันไม่อยู่ตลอดรอดกาลสักวันหนึ่งข้าม้ามันต้องตายแบบเพื่อนเขาที่เขาตายมาแล้วในการนึกถึงความตายญากกติโยมพุทธิษัทบางคนตกบันลินนึกแต่สิ่งรุ่นเลยไม่ยอมนึกถึงความตายแต่ทนเพื่อความตายไม่มีอยู่เช่นหนึ่งบูชาพระ การบูชาพระที่บ้านเราทเพื่อความตายนะาการบูชาพระตัวจิตใจขยันพุทธเจ้าพระธรรมพระารียสงฆ์มันลงมรุกไม่ได้เราทำเพื่อความปุกในเวลาที่ตายมาแล้วนั่นก้อรสองการใส่บาตรเพื่อให้ทานการให้ทามาวายทานกับพระเราทำเพื่อการสงเคราะห์กับคนกับเ่การอนณะกจริงแหลแต่ว่าคนนั้นก็ขนองว่ามีความปุกเมื่อตา การทำอย่างนี้ก็ถือว่าคนนั้นไม่ลืมความตายข้อที่สา3บางคนชอบเสด็จมนบ้างชอบภาวนาบ้างการเสดมจมนก็ดีความภาวนาก็ดีทำให้จิตใจสุดในระหว่งที่มีชีวิตอยู่แต่จะดูว่า ก, การกระทำอย่างนี้ก็เพด่ผลความสุขเมื่อตายไปแล้ว เรื่องความว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าจนผูนั้นปฏิบัติในมามารคติตรงฐานนั่นคือข้อที่หนึ่งเขาวระสบดาบันไดอยู่แล้วอันนี้มาข้อที่สองการยันนับนัดถีพระพทธเจ้าประาทะานพรอรียสงฆ์อันนี้เรามีในปกติเห็นพระพุทรูปเราไห้ยอมเชื่อก็ะ ท, ทาควาสังพระธเจา้าตามที่เข้าใจ ที่เห็นไใบสงน์มาไหว้ก็เป็นการยอมรับนักบุญพเจ้าประทานพระอริยสงฆ์อยู่แล้วข้อดีสองก็มีก็สำคัญข้อเดียวข้อดีสามที่สิสทธประจักรรามายข้อที่สามคือบ้าจนถึงผนข้อต้นตั้งมาวิธีปฏิบัติในเมื่อเราต้องการจะให้ทรงอารมณ์ในมรณาลัสติก็ดี ในพทฐานุติธรรมานุติสังขารุติคือยอมนับมาถือพระบัเจ้าพระรรมพระอริยสงฆดีในศีลานุติสิองการในสอตัวก็ต้องฝึกทำสมาธิคาว่าสมาธิคือความตั้งใจอย่างนี้นะฝึกการตั้งใจจิตใจมันทรงตัวการจิตใจทรงตัวตั้งแตอรดับแรกก็ต้องให้พยายามรู้แลไม่ใจเข้าเป็นการฝึกให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยูห่หายใจออกขณะได้ที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะนั้นจิตจะสมาธิาคําว่าสมาธิไม่ใช่จิตนิ่งๆมันจะไม่ไปคิดอะไรเลยไม่เฉยเงันคิ ด, ค, ดคิดที่ลมหายใจเข้าออกเวลานี้หายใจเข้าเราทราบแต่นี่หายใจออกเราสาบจิตทรงตัวแค่ลมเรียกว่ามีสมาธิในนาฟานา น, าานาี้ก็ติดเพราะนี่ถ้ามีบทภาวนา เราภาวนาด้วยขณะใดที่รู้คำภาวนาอยู่ขณะนั้นที่วจิตรสมาธิอาการหรือขั้นของสมาธิมีกี่ขั้นนั้นไม่สำคัญเพราะว่าความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตนคือโสดาบันสีีทาธรรมก็มีสมาธิขั้นอนุสติไม่สูงลับมาก อัมนี้ก็ติเราตามนึกถึงตามนึกถึงความตายตามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ทั้งวันนะเฉพาะเวลานึกถึงสิ่งที่เาศรัทาตอนมาพระพุทธการสวดให้ทรงตัวพยายามหัดนั่งช่วนั่งสมาธิในการฝึกการทรงตัวพริตการเริญการ่มทันยิ่งแรกของวันดาต่อพระพุทธเจ้ากำหนดรู้หรือว่าใจเขาออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอันนี้เป็นอย่างหยาบถ้าจิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้ายาวไปสั้นให้ใจออกยาวไปสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นขั้นละเอียดเขาอนาปานสตติต่อไปก็ใช้คำโลนาซึ่งคำโลนาวัตถุโธให้ใจเข้าในกิตวัตถะเดอออกวัตถุ คำว่าพุทธเธอเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอยู่เรื่ว่าสทาไมิกรรมฐานออกเดินทางเวลาที่ยาตโยมพุทธบริษัทปฏิบัติไปกาลังทางจิตกำลทางกายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หมายาไม่ภาวนาไปภนาใจจิเริ่มเป็นสุขเริ่มตึงเรื่องกาสมาธิเริ่มมีขึ้นอารมณ์เริ่มเป็นสุขขึ้นคืออารมณ์สบายเป็นสคัญของอัสสัมพันธ์ที่ห ถ้าการทางกายเกิดขึ้นอย่างขนพองอย่างเก้าขนลุกสูงสากอย่างนี้ก็อย่าตกใจทราบว่านั่นคือปีจิตแรกปีจิตเขนึดีถ้าจิตเข้าที่ปีจิตมีความอิ่มใจ นลกสู้าอย่างนง่งอาการทีสองน้าตาจะไหลอาการทีสามร่างกายโยกปกไปโยกมาโค้งไปโคงมาอาการที่ใมีการเต้นเหมือนปุกพระหรือวลอโมกัดอาการที่ห้าเมรยตาซ่าดตาซ่าดอย่างนี้ยังมีความรู้สึกอันับแรกหน้าตาใหญ่ รู้สึกตัวสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ um, so, ô, so, ally, ้นหน้าใหญ่ใหญ่มากถ้าต่อมาจะมีการนิ่ลำพูนี้ออกจากไหลไปร่างกายในที่สุดจะไม่รู้สึกจะมีร่างกายจะมีความรู้สึกมีแต่หน้าอย่างเดียวอย่างนี้ใบกายนับปีกี่ปีฮะ เกณฑ์ความอาการทั้งห้าอย่างอย่างใดยันหนึ่งเกิดขึ้นมาตามขอบรรดาทรามพุทธวิสัชยาตรงใจแม้จงอยากเปลี่ยนแปลงธรรมนาว่าไปด้เรื่อยๆปล่อยกันร่างกายเป็นไงก็ช่างมันคิตมาเป็นสุขอาการห้าอย่างนี้เกิดขึ้นทั้งหมดอจิตเปสุขมากแระมันเถรีตรีจิตเกณฑ์ความวันนี้ขอสะดวกและเวลาสองมาทีก็เป็นน้ำว่าอันดับแรกขบรรดาทรามพุทธวิสัชยากำหนดรู้หลงให้ใจเข้าออก เ, y, เลื so, ่อนเข้าเลือนออกแล้วี้ยงคำภาวนาถ้าตั้งใจคิดว่าเราความตายเป็นของเราสักวันหนึ่งหน้าเราต้องตายถ้าตายจากความในคนเราไม่ยอมลงอบัยโทษเลยขอยอมรับนักถิษย์เพื่อจะแก้ปรญหาในตระกูลยศถ้าตายไปยศสมชีนั่งคำบัญสีทั้งใบศ พระชินห้าบริษิทธก็ได้ดึงโซลยาเป็นขั้นตนถ้าเป็นได้อย่างนี้ธรรรดาจ่าุทธบริษัททุกคนโปรดราบว่ า, า, าที่เราบาปชื่อระบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล ท่านตายจากความเป็นโกรธคราวนี้ก็มีทางเดียวจะไปสวรรค์ก็ได้ไปเปรมโลกก็ได้ถ้าจิตใจสะอาดาที่สุ ก, ก็ไป น, นิพพานอัลมินดาญาเยนพระนุไวสัตุ์กันเวลานี้มป็เวลาพอดีตอนนี้ไปเขาสุตัานต่างใจสมาทานสินสมาทานเป็นสมาทาน